ท่านประโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกับพระกรรมฐานแล้วต่อเทนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสงบจิตมีความสารวมใจคิดไปว่าสำหรับวันนี้ ในเวลานี้เราตั้งใจจะประกอบความดีเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความเกิดเป็นทุกข์ท่้งกล่าวว่าชาติปีทุขาความเกิดเป็นทุกข์เชรารีตุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์ โสกะปีเทวทุกขโทมนัตตุปายาตเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความรัดราจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เป็นอันว่าสภาพที่เราเกิดขึ้นมานี้ไม่มีอะไรดีมันมีแต่ความทุกข์ ทุกเพื่ออะไรทุกเพื่อความเกิดเป็นเบื้องต้นขณะที่เกิดมามันก็มีทุกขอยู่ในคันขมารดาก็มีทุกการที่อยู่ในคันขมารดาเป็นทุกข์ลองคิดดูเราต้องไปนอนคุดคู่อยู่ในคันขมารดาเต็มไปได้วยความไม่สะดวกไม่สบายดุริการทั้งปวง เรานั่งก่อยเข่าคุดคู่อยู่ในคันเขมารดาสินะะ้นระยะเวลาสิบเดือนลองนั่งคิดดูฟังไปแล้วก็ไข้ครควญไปด้วยว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์ถ้าไม่แน่ใจก็ลองนั่งก่อยเข่าลิงโกโก เพียงใช้เวลาไม่มากสักสามชั่วโมงโดยที่ไม่มีการขยับเขยื่อนไปไหนจะมีความรู้สึกยังไงสำหรับนั่นใช้เวลาเป็น3สามชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องใช้เวลาทรมานกายอย่างนี้ถึงสิบเดือนจะมีความรู้สึกยังไง มันจะสุขเพียงใดหรือมันจะทุกข์เพียงใดข้อนี้ท่านหลายคอยท่านหลายพิจารณาเอาเป็นอันว่าเมื่อการอยู่ในครนเขมารดาก็เป็นทุกข์ขณะที่อยู่ในครนเขมารดานั่งหลับตานึกซึงสภาพในท้องของคนมันมีอะไรบ้าง มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสิ่งที่เข้ามาทําความโซโครกแบบเกลื่อนสุกภโรกตัวร่างกายรวมความมาทุกสิ่งทุกอย่างในครายเขามันในครายเขามันดาเต็มเรื่ความสุปกปโรคอาหารจะเพึงมมีขึ้นมันได้ก็เพราะใส่มารดาเป็นเหตุถ้ามารดาใบพวกคองร้อนเกินไป เผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปร่างกายของเราก็มีทุกข์รวมความว่าเราทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็ทุกอย่างสาหัสต้นงทรมานอยู่ในที่แคบๆใจเหยียดมือเหยียดเท้าก็ไม่ได้ถา้าถามว่าเด็กที่อยู่ในคันเขมรดาทำไมจะต้องคุดโคล เหียดมือเยียดเทาไม่ได้หรือก็ลองัพิจารณาดูว่าคันข้ามมันดาใหญ่โตขนาดไหนเด็กที่คลอดมาในวันเดียวโตวขนาดไหนไปเทียบเคียงกับคันข้ามารนดาแล้วก็เห็นว่ามันทำไม่ได้มันทำไม่ได้่ว่าจำใจจำอยู่ จำใจจำต้องทนจำใจจำยุต้องนั่งอยอย่างนั้นเป็นอนว่าจำจะต้องทุกข์ทั้งทั้งที่เราไม่ปรารถนาจะทุกข์มันก็ต้องทุกข์เมื่อออกจะคันมันดาใหม่ๆอยู่ในร่างกายของมันดามีแต่ความอบอุน่นไม่เคยกระทบกระทั่ทงกับความร้อนจัดหนาวจัดเรื่องอากาศปกติ เพราะว่าอุณหภูมิในคันมารดามีสภาพปกติอุ่นสม่ำเสมอกันออกมาส้นอกกระทบความร้อนที่มีความร้ายแรงยิ่งกว่ากระทบกับความเย็นที่มีความร้ายแรงยิ่งกว่ากายทั้งกายก็แสบเมื่อออกจะคันมารดาทนถ้าความแสบกายไม่ไหวจริงร้อง เป็นว่าตอนนี้ก็จะคันมารดาใหม่ๆเราก็ทุกข์ต่อมาก็ความทุกข์มันเกิดขึ้นอีกอยู่ในคันเขามารดาทุกในการคุดโคและออกจากคันเขามารดาเหยียดแขงเหยียดขาเหยียดเท้าเหยียดมือได้ตามอธัธยาศัยแต่ด้วว่าร่างกายของเรายังไม่มีกําลังแม่้จะพลิกซ้ายพลิกขวามันก็ยังไม่มี ยังไม่สามารถจะทำได้ความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็เกิดเกิดตรงไหนเกิดตนตนที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนอิริยาบถได้การที่ต้องนอนอยู่ในสภาพเดิมอย่างนั้นได้แต่ชักมือชักแขนชักขาเล็กๆน้อยๆแต่แข้งซ้ายแต่แขงขวาไม่ได้มันเป็นทุกข์ ถ้าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นทุกข์ก็ลองนอนดูนอนอยู่อย่างนั้นทักสามวันไม่ต้องอามากไม่ขยับขยื่นไปไหนที่เราคิดว่านอนสบายลงนอนดูก็จะพิงรู้ว่าการนอนอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ในเมื่อเราทราบสภพานระความทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเบื่อหรือยัง เมื่อการเกิดได้อย่างมันยังไ ม, ไม่ไม่ทุกแต่เพียงเท่านั้นอาหารที่เราจะต้องการบริการรอาหารที่ต้องการบำรุงร่างกายเรายังพูดไม่ได้เรายังบอกไม่ได้ยัมันด้ศ า, าศึกษาในวาจาและไม่ศึษาในสำเนียงก็เป็นว่าเวลายหิวมารดาไม่รู้ว่าเราหิว เวลาโปรดอุจาระปัสะวะมารดาและพี่เลี้ยงไม่รู้ต่องรู้ท่านยังไงหิวต้องร้องเขาจะรู้หิวจัดมีสภาพเป็นยังไงเป็นความสุขหรือความทุกข์ท่านฟังแล้วก็โปรดพิจารณาตามไปด้วยจงอย่าใช้แต่เพียงสัญญาํำว่าสัญญาก็คือความจำ จำไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์จำแล้วก็ต้องคิดๆแล้วก็หาทางหนีความทุกข์การที่เรามีความหิวกวามารดาลและพี่เลี้ยงจะนำอาหารมาให้มันก็ทุกข์และความการปวดอจาระปัสวะมันทุกข์ขนาดไหนในเมื่อทนไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้อุจาระปัสสวะมันหลั่งไหลออกมา ตอนนี้จงนึกถึงสภาพความเป็นจริงจงอย่าคิดว่าเวลานั้นเราไม่มีจิตใจมีสภาพมันหัวหลักโัวต่อมันไม่ใช่อย่างนั้นความรู้สึกมันมีแล้วการที่ต้องการความสุขปกสมมติอย่างนั้นไม่มีสำหรับเราแต่ว่าเราทําไมจะต้องทําอย่างนั้นก็มันมีความจําใจ เป็นเหตุสุภวิสัยที่เราสามารถจะเปลี่ยนตัวได้มันเป็นอาการของความสุขแรือความทุกข์ขอท่านนัหลายได้โปรดพิจารณาด้วยปัญญาของท่านนอกจากนั้นเมื่อเดินได้โพดได้แต่ก็ต้องยังอาศัยมันดาและพี่เลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามความปรารถนา ต้องการร้อนอาจจะได้ยินต้องการยินอาจจะได้ร้อนเพราะต้องเขาจะให้เฉพาะอาหารที่เขาพอใจถ้าสิ่งใดไม่เป็นความปรารถนาของเขาเขาก็ไม่ให้เขาไม่เคยถามเราเลยว่าเราต้องการอะไรพยายามป่วยไข้ไม่สมบายก็จ ะ, สะแสดงออกเรายังบอกไม่ได้เขาต้องอาศัยอาการที่สแสดงออกทางกาย รวมความว่าเป็นการวินิจฉัยของหมอหรือ ว, ว่าพี่เลี้ยงหรือมารดาได้การวินิจฉัยอาการอย่างนั้นมันจะตรงกับความประสงค์ของเราหรือไม่มันก็ไม่แน่ว่าเป็นอันว่าเราก็ต้องนั่งทนทุกขก์ทรมานต่อไปเมื่อโตตัวขึ้นถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวความปรารถนามากยิ่งกว่านั้น ต้งทุกข์ด้วยการประกอบอกิจการงานทุกอย่างเพื่อการทรงตัวไม่เป็นไปตามคำบรรทับปบัญชาความปรารถนาของผู้ใหญ่บางทีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นที่ไม่เต็มใจสําหรับเราแต่ถ้าว่าเป็นความพอใจของผู้ใหญ่เราก็จําจเป็นจําใจจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม การจะทําได้ความไม่เต็มใจแป็อาการของความสุขหรือความทุกข์ท่านลงนัน่งนึกดูเพราะว่าเราไม่มีอิสระทำ น, นี้เราก็จะไปโทษผู้ใหญ่เพราะเวลานั้นปัญญาแห่งความรู้สึกรับผิดชอบของเรามีน้อยที่เราเห็นว่าดีแต่ถ้าว่าเสียงทั้งหลายเหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ ในเมื่อมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความเดือดร้อนผู้ใหญ่จะปล่อยให้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่เป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียวเด็กทำชั่วเขาก็ด่าว่าผู้ใหญ่ไม่ดีแต่ถ้าว่าอารมณ์ของเรานี้ปรารถนาจะทำอย่างนั้นก็เรามานั่งนึกความฝืนใจที่เราไม่จำเป็น เราไม่ปรารถนาจะทำอย่างนั้นเรามีความต้องการอย่างหนึ่งแต่ถ้าว่าผู้ใหญ่ต้องการอย่างหนึ่งเมื่อความปรารถนาไม่สมหวังอย่างนี้ไม่เกิดมามันก็เป็นทุกข์นอกจากนั้นยังเป็นทุกข์ในการศึกษาวิทยาการต่างๆการเรียนหนังสือเพื่อความรู้มันก็เป็นทุกข์ การประกอบการงานทุกอย่างที่หาจุดจบไม่ได้ในชีวิตรวมความบงานประกอบอาชีพนี้ไม่มีจุดจบจนกว่าจะสิ้นชีพตักใสลงไปเมื่อไร่นั่นจะมีการหมดงานการทํางานแต่อย่างค้าขายก็ดีรับราชการก็ดีรับจ้างก็ดีทําไร้ไถนาก็ดี ใช้วิชาเวทมนตร์กระถางก็ดีแต่และอย่างต้องใช้ความเพียรความพยายามต้องอดทนต่อความเหนื่อยความร้อนความหิวความกระหายเราจะนอนให้ส บ, สบายๆมันก็นอนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรถ้าไม่ไปนอนข้าวมันไม่มีกินบางรายเกิดในกองเงินกองทองแต่ก็ยังไม่พอ หาความพอไม่ได้ยันได้เกีย่ยวกับกายด้วยประการทั้งปวงอาการอย่างนี้มันก็เป็นอาการของความทุกข์รวมความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความทุกข์เมื่อถึงคราวที่แต่งงานอยู่คนเดียวคิดว่ามันไม่มีสุขแต่ความรักเกิดขึ้นในระหว่างเพศ สิ่งใดถ้าเรารักสิ่งนั้นองค์สมเด็จระสัญญสมมาสมพัพพเดชญาทรงกล่าวว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ตามพมบาลีวา่าปิยโตชาญาติโสโกปิยโตชาญติพยังซึ่งแปลเป็นใจความวา่าความเศร้าโศกเสียใจมาจากความทุกข์ ภัยอันต ร, รายทั้งหลายจะเพื่งเกิดมีกเราก็อาศัยความรักเป็นปัจจัยท้ามีเพราะอไรเพราะสิ่งไรถ้าเราไม่รักเราก็ปราศจากการโวงแหนใครพูนใดที่ไหนมีความปรารถนาอะไรนั่นเราก็คิดว่าจงทําตามนั้นตามความปรารถนาของเธอ สิ่งใดที่เขาชอบใจจงเอาไปน้าสิ่งที่เราไม่รักวัตถุคนดีบุคคลคนดีถ้าเป็นสิ่งที่เรารักใครมายื้อแย่งเราโกรธเพียงแค่ต้องการเราโกรธถ้าเขามายื้อแย่งอาจจะต้องประหัดประหารกันเป็นอันว่าความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์ไปความรักเป็นปัจจัยเกิดอันตรายต่างๆ ต่อมาความป่วยไข้ามาส บ, บายเกิดขึ้นกับเรามันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์การเสียดแท ง, งต่างๆโรคคะว่าโรคแปลว่าการเสียดแทงถ้าโรคเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งมันก็หาความส บ, บายกายส บ, บายใจไม่ได้เราต้องได็เกียรติกายหาหมอมารักษาสําหรับหมอเราแน่ใจไหม ว่าหมอจะมีความเข้าใจในทุกขเวทนาของเราทุกอย่างความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราโทษหมอไม่ได้หมอก็ทําตามความสามารถเท่าที่หมอมีอยู่แต่เถ้าว่าเราก็ยัเสวยทุกขเวทนาอาการเสียดแทงทั้งหลายเหล่านั้นมันจะหายไปปัจจุบัน ในโบราณถ้าโบราณเราก็ต้องกินยาขมกินยาเฟืนกินยาคืนทุกจากร่างกายไม่ดีมีอยู่แล้วก็ต้องมาทุกข์กัรถทุงยาขมแล้วเฟืนเป็นต้นในสมัยปัจจุบันเราถูกแทงด้วยเข็มมันก็เจ็บถ้าเป็นยาฉีดเป็นอันว่าเราต้องสบถุกขเวทนาอย่างสาหัสเมื่อเรามีความโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับร่างกาย ต่อมาความแก่เกิดขึ้นความแก่นี่หูก็ฝาตาก็ฟังกำลังก็ไม่ดีความจำก็เลอเลือนทุกสิ่งทุกอย่างช่วยตัวเองในยากเพราะความทุกข์พนภาพของร่างกายเมื่อความปรารถนาสิ่งใดสมัยความเป็นหนุม่มเป็นสาวเราจะต้องการทำอะไรก็ทำได้ตามใจนึก พราะก็กำลังวางชาดีแต่ถ้าว่าพอแก่ครับแล้วนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ตามใจเรามือและเท้ามันอ่อนเพลียเราอยากจะเดินให้มันไหวมันก็ไวไม่ไหวเพราะกาลังมันตกอยากจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามที่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ทําไม่ได้กําลังไม่ดีโหที่จะฟังสิ่งต่างๆมันก็ฟังไม่ค่อยถนัด ตาก็ฟ้าฟางมองมาถนัดละการอย่างนี้เป็นการเป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์ถ้าเราจะตอบกันทั้งอย่างสามามอนชนธรรมดายเขาที่ว่าความทุกข์ต่อมาแค่สิ่งที่เรารักก็คัดร่าจากกันเมื่อต้องสู้สิ่งทุกอย่างต้องจากเราไปทั้งๆ ท, ที่เรายังมีความรักความอะไรปรารถนาในสิ่งนั้นยังมีอยู่ อง์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่านี่มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ต่อมาภัยใหญ่จะถึงกับเราคือร่างกายมันจะตายถ้าจิตใจของเรายังเกาะร่างกายถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่รม่มฝืนกฎธรรมดาเกิดเป็นเด็กอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอ น, นิจจตามธรรมดาพอถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่อยากแก่ฝืนธรรมดาแล้ว เมื่อร่างกายเราเกิดมาไม่ต้องการจะมีโรคภัยไข้เจ็บนี่เขาเป็นอารมณ์ฝืนธรรมดาในที่สุดความตายเป็นเข้ามาเราก็ไม่อยากตายบนบานสัญกล่าวปู่เจ้าทั้งหลาย่าขอเข้าไาเจ้าจงอย่าตายจงอ ย, ย่าป่วยไข้ามาสบายแล้วจะมีผู้ใดมีอานาจไปเกินกว่าพญามาจุราช พญาเมจุราชจงห้ามหันไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์เล็กได้ใหญ่ย่อมไม่ให้อภัยกับใครสา ม, มารถจะเ บ, บิกยี่ชีวิตคนและสัตว์ทั้งหลายให้พินาศไปด้วยอำนาจนากำลังของตนองสมเด็จพระทสพลทรงตัดไว้ในธรรมนิยามว่าเหมือนกับภูเขาใหญ่เหล็กใหญ่ที่ลูกจันดงงชนพลิ้งมาทั้งสี่ทิศ หมดคยี้บุคคลที่มีจิตที่ร่างกายแม้แต่สัตว์ให้ละเอียดพิาดณาดไปเช่นใดมรณภัยคือความตายก็ ม, มีสภาพจนนิ่นั้นไม่เคยให้อาภัยกับใครจะเป็นใครอยู่ในฐา น, นะอะไรก็ตามต้องตายด้วยกันทั้งหมดเมื่อถึงเวลาจะตายนีระวันดาท่านพโยคาไวจรทั้งหลายที่พูดมานี้ เพื่อใหท่านหลายเข้าใจว่าความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์โครคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับร่างกายมันเป็นทุกข์ความพลัดพร้าเจ้าของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกข์พวกเราไม่อยากจะตายในเมื่อเราเกิดมาเพื่อตายอย่างนี้ เพื่อสแสวงหาทุกอย่างนี้เราจะเกิดชาติไหนหรือว่าเกิดชาตินี้จะมีฐานะอะไรก็าตามทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เรายังจะคิดตั้งใจอย่าจะเกิดต่อไปหรือยังไงถ้าเราเกิดต่อไปเราก็พ้นไม่พ้นความทุกข์ก็ไปนั่งนึกดูถึงพระโมคคัลาและภาษารีบุตร เป็นโลกมหาเศรษฐี <c oughs> มั่งมีทรัพย์มากแต่ทว่าท่านได้พิจรารณาเห็นแล้วว่าคนทุกคนที่มาดูมรสพตายหมดผู้สแสดงมรรสศพไม่ใช่ก็ตายแม้แต่ท่านอสองก็จะต้องตายเหมือนกันจึงได้คิดว่าทําใดที่จะทำให้คนตายมีอยู่ก็ต้องมี มีธรรมที่ทำให้คนไม่ตายมีอยู่ด้วยนกันเพราะในโลกนี้มันมีแต่ของคู่กันของเดียวไม่มีมีความสุขแล้วก็ต้องมีความทุกข์มี ส, สะะว่างแล้วมันก็มีมืดเป็นอันว่ามันต้องมีคู่กันอย่างนี้ยึ่งในแสงหาความดีคือโมกะธรรมด้วยคําทําเป็นเครื่องพ้นนี่สำหรับเราทั้งหลาย ที่อยู่ร่วมกันมีใครบ้างไหมที่ยังมองไม่เห็นทุกคนที่มองไม่เห็นทุกก็คือคนที่แสวงหาความโลภเป็นปัจจัยยึดถือความโกรธความเพียมบาตจองล้างจองฟรานสงสัยผู้คนหลายผู้คนอื่นว่าคนนั้นเป็นศัตรูกับเรา นี่มีมีความหลงอยู่มากแล้วหลงหลายไฟฝันยึดว่าขันห้าดาสั์สินงทั้งหลายจะทรงอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยรวมความว่ามีใจจิตในโล ก, กธรรมทั้งแปดประการหนึ่งอยากได้ลาบได้ลาบมาแล้วดีใจไม่ได้คิดว่าลาบกับเราจะอยู่ด้วยกานนานขนาดไหน มันลาบหมดไปเขาเสียใจอยากได้ยศถาบรรดาศัก์ได้ยศถาบรรดาศัก์มาก็ดีใจไม่ได้คิดว่าสิ่งทั้งหลายเดี๋ยนี้ยศเขาให้เราได้มันก็สลายตัวได้เนื่อก็อยากจะปรารถนาความสุขสุขที่อิงเว้ดามิตรเพื่อสิ่งของ เมื่อความสุขมันมีมาก็ไม่ปรารถนาความทุกข์แต่มันของคู่กันสุขมีที่ไหนทุกข์มีที่นั่นเป็นอันว่าเราก็ไม่พ้นความทุกข์แล้วก็ต้องการนินทาและสันเรินใครก็นินทาไม่ชอบใจสันเรินดีใจอาการอย่างนี้เป็นอาการความหลงของคนที่เต็มไปด้วยความโง่ อาการอย่างนี้ทั้งหมดรเราเจะถาทางเลี่ยงโดยอาการอย่างไรรวมความมาันจะมีเหตุอย่างนี้ได้ก็เพราะสายความเกิดเป็นปัจจัยอันดับต้นข้อยรนดาท่านทั้งหลายรวบรวมกําลังใจของตนไม่ใช่เฉพาะเวลานี้ผมถือว่าต้องใช้อาการอย่างนี้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง นั่นก็คือสมรวมใจอยู่ในขอบเขตของความดีอันดับแรกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออ ก, กรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เป็นการคุมสติสมัญญะ ถ้าจะใช้คาภาว น, นาเวลาให้ใจเข้าภา ว, ว น, นาว่าพุทธเวลาให้ ใ, ใจออกภาว น, นาว่าโทไม่ต้องออกเสียงนึกในใจรวบรวมกาลังใจของเราอยู่ในขอบเขตเพียงนี้นี่เป็นดับตนของการจเจริญพระกรรมฐานแต่ผมว่าไม่ตนสำหรับท่านทุกคนก็บางท่านจเจริญพระกรรมฐานมานับเป็นปีๆ ยังมีอารมณ์พุ่งมีอารมณ์ซ่านมีอารมณ์ทะเยอทะยา น, สนแสดงว่าไม่ได้ลดอะไรลงไปเลยการไม่ลดของการบวชก็สแสดงว่าการเพิ่มโทษจากกิเลสให้มันมากขึ้นหากว่าท่านนั้นหลายพิญญามฝึกใจเพียงเท่านี้พิธีฝึกใจของท่าน <c oughs> ทุกคนจงลมพรหมทันตัวเอง หมายความว่าถ้าไม่จำเป็นใดๆเราจะไม่พูดกับใครทั้งหมดกำหนดจิตไว้อย่างนี้เพราะว่าเราจะถืออารมณ์คุมอารมณ์ให้ทรงไว้ในด้านความดีคือจิตไม่ยอมรับสภาวะของกิเลสไม่ยอมมาเคารพอารมณ์ของกิเลสถ้าไม่จำเป็นจงอย่าพูดกับใคร ถ้าพูดกับใครก็จงพูดโดยธรรมในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ ก, ากา่าวไก่พาดเพียงไปถึงอํานาจของความรักอํานาจของความโลภอํานาจของความโกรธอํานาจของความหลง <c oughs> จินจาโดยธรรมก็คือว่าจินจากันพราเหตุที่ทํำยังไงเราจะพ้นทุกข์ <c oughs> งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่ายังไง อันนี้เป็นของไม่ยากถ้าคิดอย่างนั้นมันไม่สมบายใจมีคัสเตรมีเครื่องบันทึกเสียงเอาคัสเตดไปฟังตามอธัธยาศัยใจไม่จะอยู่ที่ธรรมเมื่อใจมันอยู่ที่ธรรมหูมันอยู่ที่ธรรมอย่างนี้จิตใจเราก็สงบความฟุ้งซ่างความเดือดร้อนมันก็ไม่มี อารมณ์และยำอับฟรีนั่นคือความชั่วคือความรักความโลภความโกรธความหลงมันจะเบาบางไปทีละน้อยละน้อยเพราะสายใจของเราไม่คบกับมันนิรบรรดาท่านพโยคาวาจอทุกท่านการแก่อารมณ์จมานเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์แก่แบบนี้ค่อยๆเ ค, ย, คยทาไปทุกทีทุกทีนานเข้าอารมณ์จะชิน ในที่สุดจิตเราก็จะมีแต่ความสงบสามารถจะบังคับให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่สามารถจะไม่ยุ่งกับจิตของตนได้เราก็สบายจุดนี้ถือว่าเป็นจุดปัจจัยอันหนึ่งที่เราจะเป็นเหตุให้เราพ้นทุกันแล้วสำหรับท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้พูดมาก็ครบยี่สิบเก้านาทีแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านอย่างหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกําหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คําำวิาจารณาตามอัตยาสัยเจี่งกว่าท่านั้นหลายจะเห็นว่าสมควรโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสําหรับเวลานี้ผมไม่ตั้งไม่ให้แล้วก็จะไม่เตือนใจเวลาสําหรับเลิกเพราะว่าบางที บางท่านพอได้เวลายอย่างนั้นพอได้ินเสียงการตรวจน้ําก็ตกใจแต่ความจิตยังสบายอยู่ทั้งนี้เพื่อท่านหลายทำไปตามความสะดวกตามความประสงค์ของตนจึงจะไม่เร่งรัดธรรมดานจนพุทธศาสนิกชนอยากจะทํานานเท่าไหร่ก็ได้นั่งไม่สมบายก็นอนนอนไม่สมบายก็ยืนยืนไม่สมบายก็เดิน จะ น, นัง่งอิธิยาบทใดก็ตตได้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะต่อจ น, นี้ไปขอทุกท่านจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั น, น ก, ก, ก, กาหนดรูลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาว น, นาและพิจารณาตามอัติยาใสขึงกว่าจะท่านหลายเย็นว่าสมควรสวัสดี